บาสมุตินะคะท่นี้ทราบ ว, ว่าหลายๆท่านเริ่มเริ่มจําไม่ได้แล้วว่าเป็นยังไงนะคะก็เลยอยากให้พระอาจารย์ให้ทบทวนสักนิดนึงค่ะว่าบทบาทสมมุติเนี่ยทํำยังไงแล้วก็เอมันต่างจากละครยังไงนะคะจะเผื่อเผื่อเป็นแนวให้เราได้ไ ด, ได้ได้ทําต่อเชินกันบทบาทสมมุติคือการสวมบทบาทเป็นเป็นใครสักคนที่ไม่ใช่เรานะหรืออาจจะเป็นเราในอานะคนก็ได้นะเอ่อ ตอนนี้เนี่ยมันต่างมันมันต่างจากละครตรงที่ว่าละครนี่ก็มีสคริปต์ให้มีบทให้นะว่าจะพูดยังไงว่าจะทําตัวอย่างไรแต่ว่าบาทสมุตินี้เราต้องเราต้องเราต้องคิดของเราเองเราต้องพูดของเราเองไม่มีบทให้ละครเนี่เรารู้ว่าจะจบยังไงนะแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าหรือว่าหรือไม่แต่ว่าบบาทสมมุติเราไม่รู้ ทุกอย่างนี้ทุกอย่างเป็นมันเป็นปลายเปิดดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะบททั้งหมดเนี่ยเพราะว่าที่เป็นชนิดพ่อบทบาทสมมูรณ์เนี่ยเรามีไว้เพื่อการศึกษาเพื่อการฝึกทักษะเพื่อการเรียนรู้จากอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วก็อีกฝ่ายนึ่งด้วยรวมทั้งเข้าใจบทที่เราเล่นเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของบทของคนที่เรา สมบทเขาได้มากขึ้นส่วนละครนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเหตุนั้นเป้าหมายก็เพื่อความบันเทิงของคนดูประบาทสมมตินี้ไม่มีคนดูก็เกิดประโยชน์นะปรเกิดประโยชน์คนเล่นนะแต่คนดูก็ได้ประโยชน์ด้วยถ้ามาแบ่งปันกันนี้ละครเนี่ยเล่นจบก็จบเลยแต่ว่าบทบาทสมมุติเล่นจบเรายังไม่จบต้องมาคุยกันต้องมาทบทวนสิ่งที่เราได้ได้รู้ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็มาแชร์แบ่งปันกัน อันนี้มันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราะจะจ ะ, จะสวมบทบาทอย่างอย่างสมจริงเนี่ยนะอย่างจริงจังเนี่ยจะจะสำคัญแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องความสมสมจริงนะอะนนั้นขอให้เราเราเรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างคนที่เราสมบทเขาเนี่ย เท่านี้ก็พอนะเพราะเราไม่ได้นนเรื่องเราไม่ได้ทำเพื่อความบันเทิงเราทำเพื่อการเรียนรู้เพื่อการอย่างเข้าไปดูความรู้สึกนกคิดภายในแล้วก็ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการพูดการคุยต่อกันอเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะว่ามันจะสมจริงหรือเปล่าให้ทำไปอย่างที่เราคิดว่าเราเราเราจะทำถ้าว่าเราสวมบทอย่างนั้นนะ ครับพระคุณก็เด็กที่พระอาจารย์บอกนะคะก็บทบาทสมมุติเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ค่อยคุณเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะลองทําดูเล่นให้เต็มที่นะคะเต็มที่ในที่นี้ก็คือว่าไม่ต้องไม่ถึงกับต้องเคร่งเครียดนะคะเล่นเต็มที่แต่ว่าไม่ต้องคาดหวังว่าผลมันจะออกมาดีหรือไม่ดีเจ จริงไม่จริงสมจริงขนาดไหนหรือว่าทําแล้วมันจะดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้อาจจะวางไว้ก่อนนะคะแต่ทําเต็มที่แล้วลองเฝ้ามองว่าถ้าเกิดเราเอาบทบาทนั้นสวมเข้ามาอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันอาจจะมีบทเรียนทั้งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่ข้างในเรานะคะถ้าเราสามารถที่จะอยู่กับคู่ของเราได้ตลอดเนี่ยนะคะแล้วก็เฝ้ามองมันเนี่ยมันก็จะได้บทเรียนที่ที่เป็นประโยชน์มากนะคะไม่ว่าผลผลที่มันจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะคะก็อยากให้อา่า สบายๆนะคะแต่เต็มที่นะคะโอเคค่ะก็จะขอให้นับให้จับคู่กลุ่มลา3มคนนะคะโดยที่พยายามดูว่าเอ๊ะคนไหนที่เรายังไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้อยู่ด้วยกันค่ะนะคะคนไหนที่สนิทกันมากแล้วอาจจะ ก, กระจายไปลองจับคู่กับคนอื่นบ้างนะคะเชิญเลยค่ะเออสนิทน้อยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญค่ะ เขาไหมคะอันนี้เขาบแล้วนะคะของพี่อุ่มยังขาดอยู่คนใช่ไหมคะมีอยู่สดดะดวกว่า คัไม่มีมีท่านจิ๋วด้วยนะคะอ่ามีนิมนต์ท่านจิ๋วด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ป้าสีด้วยะคะ่ะพอดีเลยะ ค, ะค่ะค่ะโอเคนะคะก็ให้ให้ปกลงกันค่ะว่าใครจะเล่นเป็นผู้ป่วยใครจะเล่นเป็นเพื่อนแล้วก็ใครจะเล่นเป็นหมอนะคะ ภาษีทงังค่ะเธอเลยค่ยะภาษีข้ามเลาลองเปลี่ยนบทบาทอื่นบ้าง น, นะคะคุณหมอทั้งหลาย <ะ S 1> มผีผู้ป่วยค่ะเล่นเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นคุณหม อ, อโอเคตกลงกันได้ยังคะก็ะใครที่เล่นเป็นหมอนะคะรบกวน อ, อลุกขึ้นมาตามคุณเล็กออกไปเลยค่ะคนเล่นเป็นหมอนะคะแล้วกวนตามคุณเล็กออกไปเลยค่ะหมอค่ะตามคุณเล็กออกไปเลยค่ ะ, คะตามคุณเล็กเลยค่ะเค่ะทวนี้ใครที่เล่นเป็นเพื่อนตามซุยออกไปข้างนอกนะคะอ่า